คำว่าผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุกคติเนี่ยทุขติมีสองอย่างทุกคติในปัจจุบันกับทุขติในสัมปรายภพผู้ที่ประพฤติธรรมก็ไม่ทำทุกคติทาไม่ดีทางกายวาจาและใจขณะเดียวกันก็ไม่ไปสู่อบายทุขติวินิบาตนารกอันนี้เป็นอันนี้สงของการประพฤติธรรมเพะะื่ะงห้มีความสุขในปัจจุบันและสัมปรายภพนั่นเอง ด้วยผลแห่งกรรมนี้แสงสว่างแห่งพระสรีระของพระองค์จึงแผ่ไปตลอดหมื่นโลกธาตุก็อย่าลืมว่าพระโพธิสัตว์ที่ทําได้อย่างนี้มีพระองค์เดียวนะมีพระโพธิสัตว์องค์เดียวเท่านั้นที่เป็นอย่างนี้นะอันนี้เฉพาะอาดีต28พระองค์ที่ผ่านมาเนี่ยมีองค์เดียวที่ทําได้ เพราะฉะนั้นแสงสว่างแห่งพระสรีระของพระองค์จึงแผ่ไปตลอดหมื่นโลกาธาตุในระหว่างเวลาที่ยาวนานขนาดนี้เนี่ยนะพระพุทธเจ้าที่มีพระฉัพพรันรังสีแผ่ไปตลอดหมื่นโลกาธาตุก็มีพระองค์เดียวเนี่ยนะที่เรียกว่าตลอดชีวิตของพระองค์เนี่ยน ะ, ะดังที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ภาษารีบรฟังว่าต่อจากสมัยพระโกนธัญะพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าผู้นำโลกพระนามว่ามงคลพระองค์ก็ทรงกําจัดความมืดในโลกทรงชูประชีทรงชูประทีทปรทธรรมรัศมีของพระมงคลพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นไม่มีผู้เทียบยิ่งกว่าพระชินเจ้าพระองค์อื่นๆทรงครอบงําแสงสว่างของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์หมื่นโลกธาตุก็สว่างจ้า น, นี่ยนะในเป็นเรื่องจริงที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนั้นอะ่ะมีรัศมีแบบนี้ เาะงั้นแสงสว่างจ้าขนาดดวงอาทิตย์ไม่ได้มีคุณธรรมเช่นกับพระพุทธเจ้าใช่ไหมก็ยังมีแสงสว่างจ้าแล้วพระพุทธคุณทั้งหลายอ น, นะพระอกด้วยบุญกุศลเนี่ยนะอะไรเนาจะยิ่งใหญ่กว่ากว่าบุญกว่ากุศลอีกแล้วมันบุญกุศลที่สร้างมาเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยพร้อมที่จะให้เป็นทุกอย่างอย่างที่ตนปรารถนานั้นเหมือนอย่างที่เมื่อเช้าเราสาธยัยบุญนิธิใช่ไหมบุญนิธิบุญที่สั่งสมไว้ดีแล้วเนี่ย ทำให้ปรารถนาเช่นใดก็สาเร็จสมดังใจปรารถนาทุกประการถ้ามีบุญถ้ามีบุญเนี่ยนะแต่ก็อย่างว่าถ้าหมดบุญนะเดือร้อนสรุปมาว่าพระสมีของพระองค์เนี่ยแสงสว่างสว่างมากนะสามารถที่กำจัดความมืดนะพระองค์เนี่ยชื่อว่ากำจัดความมืดสองอย่างกำจัดความมืดในโลกเนี่ยกำจัดความมืดภายนอกกับกาจัดความมืดภายใน เขาบอกว่าใครเห็นพระพุทธเจ้าหูตาก็สว่างสวัยระลึกดีระลึกถึงชั่วระลึกถึงบุญระลึกถึงบาปไม่ยอมงูกเขาเบาบัญญาต่อไปแล้วกลายเป็นคนฉลาดขึ้นมาทันทีเลยนะรู้ดีรู้ชั่วถ้ารัศมีที่แผ่ซ่านออกจากพระวรกายของพระองค์ ถ้าไม่ใช่บุญแล้วจะเรียกอะไรถ้าไม่ใช่ผลของบุญแล้วจะเรียกว่าอะไรยศทั้งหมดเป็นต้นคุณธรรมทั้งหมดที่พระองค์ได้มาถ้าไม่ใช่ผลแห่งบุญแล้วจะได้อะไรเพรันเมื่อรู้บุญรู้ผลแห่งบุญรู้กรรมรู้ผลแห่งกรรมรู้ดีรู้ชั่วรู้เหตุแห่งความเจริญรู้เหตุแห่งความเสื่อมเช่นนี้แล้วสัตว์ประสาททั้งหลายก็เลยสางจากความเมาห้ายจากความมืดในในดวงใจเนี่ยนะก็รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปเลย เพราะฉะนั้นโลกก็สว่างสวัยดวงใจก็สว่างขึ้นเห็นกรรมเห็นผลของกรรมเนี่ยนะาชนะทั้งหลายที่เข้าวของเครื่องใช้ในยุคนั้นก็บอกว่างดงามมากนะที่หลืก็ขยายสับอุ ก, กาสับหลังจากนั้นบอกว่าบทว่าอุ ก, กาคือคบเพลิงหมายคือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงชูคบเพลิงคือแสงสว่างที่สำเร็จด้วยธรรม พระองค์นี้ทรงชูคบเพลิงอันสำเร็จด้วยธรรมแก่โลกคือแก่สัตว์โลกซึ่งถูกความมืดเขืออวิชานี้ปกปิดเอาไว้อันความมืดเขื่ อ, อวิชาครอบงาเอาไว้นนะอวิชานี่แปลว่าอะตัวนั้นเป็นค่าศึกเป็นศัตรูวิชาแปลว่าความรู้ค่าศึกแก่ความรู้ก็คือ อวิชชาความโง่ความเ ค, คลา้าความมืดความบอดความไม่รู้บาปบุญคุณโทษความไม่รู้อดีตความไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตไม่รู้ทั้งอนาคตปกปิดอวิอ่าปกปิดปฏิจจสมุปบาทปกปิดทุกปกปิดทุกขสมุ ท, ทยัยปกปิดทุกขนิโรธปกปิดทุกขานิโรธถ้าขาไม่นีปฏิปทาปิดไม่ว่าไม่เรียว่าปิดแบบประเภทขันน็อตอะนะไม่ใช่เปิดง่าย เขบอกไอ้ความไม่รู้นี่ยมันยากยากที่จะช่วยให้รู้ไอ้ไม่อยากรู้นี่ยมันยากกว่าไม่รู้ซะอีกเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายอันอวิชชาปกปิดไม่รู้ด้วยแล้วก็ไม่อยากรู้ด้วยไม่รู้ดูรู้แล้วมีประโยชน์อะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่อยากรู้อดีตไม่อยากรู้อนาคตไม่อยากรู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตเนี่ยนะปกปิดให้ตามันมองแคบๆเหมือนรถมาที่ภาคเหนือของมันเหมือนรถมาที่เมืองราชคลึกรถมาเนี่ยนะ เวลาที่จะให้ม้ามันไปข้างหน้าต่อไปได้เขามีวิธีการทํางานก็เอามาปิดให้มันมองเห็นแค่เกินเท้ามันไปหน่อยเดียวไม่ให้มันตกลุมตกบ่อ ก, ก็พอนะจะได้จูงง่ายๆหน่อยนะอวิชาก็ปิดตาไว้อย่างนั้นตันหาก็เอาซ้ายสิขวาสิมาไเนี่ยนะเหมือนรถม้า ก, ก็แบบนั้น ก, ก็ถูกปิดไว้เช่นนั้นเพราะฉะนั้นก็สัตว์ทั้งหลายเนี่ยตกถูกอวิชานี่มันปกปิดหุ้มหอม่อไม่ให้รู้ทั้งอดีต ความทุกข์เข็นที่ผ่านมาในอดีตความทุกข์ยากลําบากยากเข็นที่จะมีต่อไปในอนาคตอะไรเป็นกรรมอะไรเป็นผลของกรรมปกปิดความจริงโดยเฉพาะปิดอริยสัจไม่เห็นความจริงคืออริยสัจนะโดยเฉพาะมรรคสัจและนิโรสัจจะมรรคสัจจะที่นําออกจากทุกอวิชาก็ทําให้ปฏิบัติผิดทําให้ไม่ปฏิบัติชอบอวิชชาทําให้ประพฤติชั่วไม่ให้ประพฤติ ด, ดีนะอวิชชาเนี่ย ปกปิดความเป็นจริงอะไรที่เป็นความจริงอวิชชาจะปกปิดเอาไว้ให้รู้แต่ในด้านที่หลอกลวงเนี่ยนะมันพระองค์เนี่ยชูคบเพลิงคือแสงสว่างที่สําเร็จด้วยบุญที่สําเร็จด้วยธรรมที่สําเร็จด้วยการแสดงธรรมของพระองค์นะนะทำลายความมืดคืออวิชชาที่ปกปิดสัตว์โลกบทว่าอตุลาสิก็คือพระองค์นี่มีรัศมีไม่มีอย่างอื่นเปรียบได้นะพระรัศมีของพระองค์ อันรัศมีพระพุทธเจ้าพระองค์อื่นๆเทียบไม่ได้คือมีรัศมีมากกว่าพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆบทว่าท้า ส, สหัสสีวิโรจติความว่าเว้นแสงสว่างของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์หมื่นโลกธาตย่อมสว่างจ้าด้วยแสงสว่างของพระพุทธเจ้าเท่านั้นก็พระมังคลาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงบรรลุพระโพธิญาณแล้วทรงยับยั้งอยู่ณโคนต้นไม้ที่ตรัสรู้เจ็ดสัปดาห์อันนี้ถือว่าเป็นปกติของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์หลังจากที่ตรัสรู้แล้วเนี่ยนะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติว่าจะต้องสวยวิมุตติสุขสุ ข, ส, ขสบายโดยมากเนี่ยนะที่เรียกว่าทําอย่างอื่นบ้างก็ถือว่าอภโหหาเล็กเล็กน้อยที่เหลือโดยมากก็เข้าพระสมาบัติสวยสุขอย่างเดียวเนี่ยสีวันพระองค์ครอบอ พระองค์ไนดะ้รับคําอ้อนวอนอ้อนวอนก็อาราธนาเชื้อเชิญ น, นะให้แสดงธรรมของเท้ามหาพรหมเนี่ยนะท้ามหาพรหมอย่างที่เรียกว่าพรหมมาจโลกาธิปติสามปฏิกัดอัญเชลีเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์ทรงไข้ครวญว่าเราจะแสดงธรรมนี้แก่ใครเนอะเมื่อรับอาราธนาแล้วก็เห็นว่าภิกษุสามโกดที่บวชกับพระองค์เนี่ยนะถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเอ้ใครที่จะบวชติดตามพระพุทธเจ้าเนี่ยคนนั้นมีอุปนิสัยจะบรรลุแน่นอน ก็จริงนะว่าชีวิตของผู้ใดที่อุทิศเพื่อพระรัตนตรัยในที่สุดชีวิตของบุคคลเหล่านั้นเหล่านั้นก็เป็นชีวิตที่ประเสริฐเพราะผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์ผู้ที่มีกายวาจาใจาอุทิศแด่พระรัตนตรัยนั้นจึงนะว่ามีบุญมากถ้ากล่าวตามอัตถคถาสันเลขสูรถ้ากล่าวตามอัตถถาทัพคินาวิพังกสูรให้ทานแก่อุบาสกหรืออุบาสิกาเนี่ยนะผู้ถึงสารณคม คือผู้ที่มอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจผลแห่งการให้อ น, นันเนี่ยมากกว่าให้ฤาษีที่ได้อภินยาหสมาบัติ8ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าบุคคลเหล่านั้นมีที่ถูกชุ ก, กรรมบุคคลเหล่านั้นเนี่ยชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อโสดาปฏิมานนผู้ใดมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะด้วยความรู้ความเข้าใจอุทิศชีวิตเนี่ยเพื่อ เพื่อพระรตนาไตรหรือมุ่งต่อพระรตนาไตรบุคคลเหล่านั้นก็ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อทำโสดาปฏิผลให้แจ้งเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเรียกว่าให้ทานกับบุคคลเหล่านั้นก็ว่าเทียบกับให้ทานกับผู้ปฏิบัติเพื่อโสดาปฏิผลเนี่ยนะเหมือนกับว่าให้ทานกับพระอริยะนะเสมือนให้ทานกับพระอริยะมันบุคคลที่อุทิศชีวิตแด่พระรตนไตรโดยมากบุคคลเหล่านี้นี่แหละ ที่บุคคลที่พระพุทธเจ้าองค์หลังๆก็จะ ต, ตรวจ ด, ดูว่าคนเหล่านี้มีอุปนิสัยที่จะบันลุมักผลมันถ้าหากว่าพวกเราทั้งหลายสละชีวิตเพื่อบูชาพระรัตนตรยัยก็ไม่ได้ไปฆ่าตัวตายอะไรหรอกหมายก็ว่าสละด้วยอะไรด้วยคิดถึงพระพุทธเจ้าให้บ่อยให้มาก นะคิดถึงพระคุณของพระองค์คิดถึงพระธรรมที่พระองค์สอนระลึลกถึงความที่ทําเป็นธรรมดีที่บุคคลทั้งหลายปฏิบัติตามที่พระรียกเจ้าทั้งหลายปฏิบัติตามผู้มีคุณธรรมปฏิบัติตามมันเมื่อเรามีจิตน้อมไปหาพระรัตนตรัยเท่าใดเนี่ยน ะ, ะหลายคนนี่ก็าบอกห่วงเหลือกเกินมัวแต่คิดถึงพระรัตนตรัยเมื่ อ, อไหรจะได้ปฏิบัติเขาบอกงั้นโอ้ยปฏิบัตินิยามปฏิบัติมันคืออะไรเนาะ ปฏิบัติเพื่ออะไรเนอะมันจบที่ไหนเนอะมันจบให้มันเป็นอะไรเนอะกลัวไม่ได้ปฏิบัติจนไม่ต้องนึกถึงพระพุทธเจ้ากลัวจะไม่ได้ปฏิบัติมันกลักลัวอะไรกันนะขณะไม่เข้าใจถ้าหากว่าเขาเข้าใจว่าขณะที่ใจเขาคิดถึงพระพุทธเจ้านั่นแหละคือการปฏิบัติเพื่อปฏิบัติออกจากทุกการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องปฏิบัติเพื่ออะไรจุดมายอยู่ที่ไหน จุดมุ่งหมายของการปฏ like to right to ิบัติธรรมก็คือต้องการปฏิบัติให้พ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกต้องการปฏิบัติให้พ้นจากภพที่8ดเป็นต <T> ้นอ่ะเขาเข้าใจระบบแล้วว่าไอการที่จะปิดอบายทุกขติวินิบาตนรกอ่ะใจของเขาต้องฝากไว้ที่ไหนก็ฝากไว้กับพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าบอกยังไงก็ทําตามอย่างที่พระองค์บอกพระองค์แนะนํเขาแล้วคอยเงยหน้าดูหน้าพระพุทธเจ้าพระองค์จะว่าอย่างไงต้องทําใจไว้อย่างนั้นตลอดว่าเจ้านายเราจะว่ายังไงบ้างนายคือพระพุทธเจ้า พุทธสหสัมมิทาโสวพุทโธเมสามิกิสรเนี่ยนะะพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเนื้อข้าพเจ้าข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าคําที่เราว่านั่นแหละมันถูกต้องที่สุดแล้วเนี่ยนะพระองค์ว่ายังไรพระองค์แนะนํายังไงเตือนอย่างไงว่าตามอย่างเดียวเนีย่ยนะก็ไหนๆเรามีนายแล้วใช่ไหมมัต้องคิดเองเออเองแล้วก็เอาแต่เจ้านายที่ว่าเจ้านายของเราฉลาดมากที่สุดใช่ไหม ใช่ว่ารู้แจ้งโลกโลกกวิถูพระองค์จะบอกยังไงสิ่งไหนที่พระองค์บอกสิ่งนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่พวกเราเท่านั้นแหละไอ้ที่พระองค์มาบอกเราเนี่ยเป็นความเสียสละสุดๆของพระองค์แล้วเนี่ยนะดอกไม้ของเราที่ไปบูชาถ้าจะว่าไปแล้วจริงๆก็ถือว่าเป็นขยะของพระองค์ด้วยซ้ําไปเนี่ยนะพระองค์ไม่ได้สนใจหรอก จริงเขบอกว่าขยะที่ขยะคือกองดอกไม้ที่ไปบูชาเนี่มันกองพเนินเทินทึกเลยนะมันก็ถ้าหากว่าเห็นดอกไม้มาบอกเอาขยะมาอีกแล้วเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะตอนบานกับตอนเฉามันก็คือดอกเดียวกันมันแหละแต่คนละเวลาคือท่านเข้าใจอ่ะนะท่านไม่ได้ไปติดอกติดใจอะไรกับสิ่งเหล่านั้นหรอกเพราะฉะนั้นการที่เราบูชาพระองค์ไม่ได้ทําให้พระองค์มีเกียรติเพิ่มขึ้นเป็น พระพุทธเจ้ายิ่งกว่าพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้น ahi, ไม่เลยแต่การที่เราบูชาพระองค์เป็นบุญเป็นกุศลเป็นเป็นวาสนาเป็นบารมีของพวกเราเท่านั้นแหลพะพันสิ่งที่เราทําแก่พระองค์นั่นแหละคือสมบัติของของเราอย่าไปคิดว่าโอ้เดี๋ยวพระพุทธเจ้าจะได้ดีแต่เพียงพระองค์เดียวบอกไม่ใช่อย่า ง, งานั้นหรอก 96, เนี่ยนะสิ่งที่เราทำนั่นแหละคือสมบัติของเราแล้วก็สิ่งใดที่เราทําเพื่อพระพุทธเจ้าสิ่งเหล่านั้นสะท้อนกลับมาหาเราเป็นล้านเท่า เป็นหลายๆพันล้านเท่าหมื่นล้านเท่ า, าแสนล้านเท่าหรือว่าเครียกว่าสะท้อนกลับมาหาตัวหาประมาณไม่ได้เพราะการปฏิบัติของเราทั้งหลายปฏิบัติบูชาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจด้วยการระลึกถึงคุณของพระองค์เป็นต้นนั่นแหละที่จะนําพวกเราให้พ้นจากอบายทุคติวินิบาตและนรกเพราะเราก็ต้องมาคิดดูว่าสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่ทำไมมันจึงปิดนรกได้หลอกตัวเองหรือเปล่าเ น, นี่ยต้องมา ต้องพยายามสอบถามตัวเองให้มันดีๆนะว่าสิ่งที่เราทําอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยอธิบายได้ไหมว่าทําไมมันปิดนรกเดียนะเราต้องชี้แจงนะถ้าอธิบายไม่ได้แสดงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันผิดอย่างเดียวทําไมก็บ่กหลอกตัวเองไปวันๆหนึ่งเท่านั้นเองเพราะว่าอย่างที่เรียกว่าผู้ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์หรือว่าผู้ที่กําหนดปัดจจัยได้จริงจะไม่สงสัยในพระพุทธคุณ ไม่สงสัยในพระธรรมคุณไม่สงสัยในพระสังฆคุณเนี่ยนะเราก็ต้องมาคิดดูเอ๊ะถ้าเรากําหนดปัจจัยได้ทําไมจึงไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าถ้ากําหนดปัจจัยได้ทําไมไม่สงสัยในอดีตทําไมไม่สงสัยในอนาคตทําไมไม่สงสัยทั้งอดีตอนาคตทําไมไม่สงสัยในอธิศีนเลยทําไมไม่สงสัยในอธิจิตทําไมไม่สงสัยในอธิปัญญาไม่สงสัยในสิกขาไม่สงสัยในปฏิจจสมุปบาทไม่สงสัยใน กรรมและผลของกรรมคุณสมบัติเบื้องต้นของคนที่ปิดอบายได้หนึ่งชาติน่ะต้องมีอย่างนี้คือคือไม่หลอกตัวเองเลยแล้วเข้าใจด้วยว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะพอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนั่นแหละเขาจึงปกปิดอบายทุกติวินิบาตได้เพราะฉะนั้นความเข้าใจนี้จึงสำคัญที่สุดการเจริญปัญญาไม่ใช่หลอกตัวเองมีแต่สว่างขึ้นมีแต่เข้าใจมากขึ้นมีแต่ปรุงโปร่งมากขึ้นมีแต่โล่งใจมากขึ้น แม้เดินอยู่ในความมืดมานานสว่างขึ้นสะทีเริ่มเห็นดีเห็นชั่วอาศัยแสงสว่างมาจากพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเริ่มรู้เริ่มเห็นว่าวิธีการใช้ชีวิตเพื่อพ้นอบายทุกขติวินิบัตนรกนั้นเป็นอย่างไร เพราะเราเนี네่ยเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าไม่ใช่ให้พระพุทธเจ้ามาปฏิบัติตามเราเนี่ยนะไม่มีหรอก็บอกว่าพระพุทธเจ้าน่าจะเทศ อ, อย่างนี้นะน้าจะตรัสอย่างนั้นเอ๊ใครเป็นสาวกใครก็ไม่รู้เนี่ยใครเป็นใค ร, เ ป, ใครเป็นใครก็ไม่เข้าใจแล้วนะพระพุทธเจ้าน่าจะอย่างนั้นพระองค์น่าจะอย่างนี้ในที่สุดแต่งตัวให้แต่แม้แต่พระพุทธเจ้าว่างั้นจัดแจงแม้แต่พระพุทธเจ้าอันนั้นไม่ถูกต้องวันเราก็ต้องไปทำความเข้าใจให้ดีๆว่า พระองค์เ น, น, นือะไรพระองค์สอนอะไรพระองค์ต้องการบอกอะไรเราแล้วเราทําอย่างที่พระองค์บอกอยู่หรือเป็นไปตามพุทธประสงค์อยู่หรืออันนี้เราต้องถามตัวเองให้บ่อยๆเพราะเราต้องจูนกายวาจาใจเนี่ยนะปรับกายวาจาใจไปตามทิศทางที่พระองค์ต้องการถ้าไม่เป็นไปตามนั้นไม่พ้นทุกข์หรอกเพราะทางเพื่อความพ้นทุกข์มีทางเดียวเท่านั้นแหละตามที่พระองค์สอนเนี่ยนะถ้ามีทางอื่นจริงแล้วพระองค์ไม่บอกพระองค์ก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าจริง พระองค์ก็ไม่ได้กรุณาต่อสัตว์จริงแต่นี้พระองค์ไถ่ครวรทบทวนเบ็ดเสร็จครบถ้วนกระบวนความแล้วคิดแล้วสั่งสมบูรณ์บารมีมาเต็มที่แล้ววิจัยมาครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพระองค์ก็ตรัสรู้แล้วบัดนี้ก็มาช่วยให้ผู้อื่นตรัสรู้ตามเพราะฉะเราก็ต้องมาค่อยๆ ค, คิดตามพระองค์ท่านว่าพระองค์บอกอยังไงพระองค์ต้องการบอกอะไรเราเราทําตามได้อย่างที่พระองค์อยู่หรือคือพยายามตรวจกับพระองค์อยู่ตลอดเวลาให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะ บ่อยได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษาพระธรรมคำสอนได้ดีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจะต้องเทียบเคียงกับคำสอนอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เราทำเป็นไปตามคำสอนไหมการใช้ชีวิตของเราเป็นไปตามคำสอนไหมทั้งกายวาจาใจของเราเป็นไปตามคำสอนไหมถ้าเป็นไปตามคำสอนก็บอกว่าพ้นทุกข์แน่ในอนาคตถ้าไม่เป็นไปตามคำสอนเดือดร้อนแน่ในอนาคตเพราะสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรร์ทั้งหลาย พระองค์บอกสิ่งเหล่านั้นหมดแล้วถ้าขัดกับสิ่งที่พระองค์บอกก็แสดงว่าสิ่งนั้นเนี่ยมีทุกในบ้านปลายเนี่ยนะมีทุกบ้านปลายแล้วก็บานปลายสองอย่างนี่ยนะบ้านปลายเนี่ยมาสุดท้ายก็ทุกแน่ น, นอนจบลงที่ทุกแล้วก็ทุกมันก็บานไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเหมือนอะไรเขาบอกว่าเหมือนแผลที่ก็มีสมัยเมื่อไม่ปีก่อนโน้นนะนะสมัยที่น้ําท่วมที่เพชรบูรณ์เนี่ยนะแล้วก็มัน มีแผลคนหนึ่งที่น้องเนี่ยมันก็ปริใหญ่มากก็ K push. บอกว่ารอวันตัดขาอย่างเดียวก็บอกถามว่าทําไมมันก็เย็บแผลไม่ได้หรือเอาอยามาทาแผลมาเย็บมาอะไรไม่ได้หรือแผลมันปริอย่างนั้นน่ะน่าจะเย็บได้น่าจะเอาผ้าพันแผลเข้าเฟือกเข้าอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ได้หรือหมอบอกไม่ได้ตัดอย่างเดียวเราะองั้นอะ ก, ก็บอกว่าคนไข้ทําใจไม่ได้ก็รอจนกว่าจะทําใจได้แล้วอนุญาตให้ตัดก็มีอยู่ทางเดียวตัดอย่างเดียวเราบองั้น ก็นั่คือเราว่าถ้าไม่ตัดมันก็เน่าแล้วก็มันกระดูกมันกค่อยหลุดทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นเนี่ยนะหลุดไปเรื่อยๆจนจนกว่าจะเน่าจนกว่าจะลามหมดเพราะถ้าไม่อยากให้ลามขนาดนั้นตัดซะก่อนยิ่งกว่าตัดไฟในต้นลมฉันใดถ้าเราไม่ทําตามอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นแน่นอนเนี่ยนะก็อย่าว่านี้เลยคอไม่รู้หลุดอีกกี่ชาติเนี่ยนะเนื้อและเลือดไม่รู้หลุดอีกกี่ครั้งเนี่ยนะ เคยสังเกตว่าโอ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงเอาก็ไปดูหมูเห็ดเป็ดไก่หรือที่ถูกปิ้งเนื้อหลุดไปตรงนั้นทีหลุดไปนี่หน่อยใช่ไหมเป็นเนื้อสับเนื้อป่นเนื้อละเอียดเนี่ยนะก็เพราะาอย่างนั้นแหละจะไปไหนเพราะถ้าเรายังไม่ปิดอบายทุกคติวินิบาศนรกจะไปไหนพันธุ์ทงจึงบอกว่าบริโภคเนื้อสัตว์ก็ให้นึกเหมือนเนื้อบุตรไว้เสมอเพราะว่าจริงๆแล้วก็เนื้อเราเนื้อเขาน่นแหละมันก็อยู่อย่างไงแหละ มันทำไม่ปฏิบัติตามคําสอนไม่เจริญศึกขาจริงๆนะยังเห็นไม่แค่ว่านึกไม่ออกว่าจะพ้นจากทุกข์ได้อย่างไรถ้าไม่ทําอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ทางเป็นผู้ฉลาดในหนทางและเป็นผู้บอกทางมันก็ท่านเหล่านี้เนี่ยนะท่านที่ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเพราะท่านเหล่านั้นเนี่ยนะเป็นพวกอะไรพวกที่น้อมใจเชื่อในพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เชื่อจริงๆเลื่อมใสยอย่าง มั่นคงท่านเหล่านั้นก็เลยพ้นจากความทุกข์เคยออกมาไหมว่าพระพุทธเจ้าแต่งตั้งว่าเป็นพระโสดาบันวันหลังออกมาปฏิเสธพระพุทธเจ้าเคยได้ยินบ้างไหมไม่มีเนี่ยนะนะไม่มีจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทำความเข้าใจว่าสาวกของพระองค์ที่ได้เจริญเจริญงอกงามในพระธรรมวินยัยถ้าเราอยากเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะเราต้องไปคิดว่าพระโสดาบันเขาทําอะไรกันเขาคิดยังไงเขาจึงเป็น พระโสดาบันเราต้องคิดแบบพระโสดาบันจึงจะเป็นพระโสดาบันได้ ถ้าคิดแบบเราเนี่ยนะพระโสดาบันไม่ยอมคิดแบบเราโรคมีแต่เราต้องคิดตามแนวที่พระโสดาบันคิดเราจึงจะเป็นพระโสดาบันเพราะพระโสดาบันไม่ยอมคิดแบบเราเด็ดขาดเนี่ยนะหลายๆอย่างเนี่ยนะก็คือต้องยอมรับว่าใครเป็นสารณะของใครฉันใดการศึกษาพระธรรมก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องไม่หลงต้องไม่เผลอและไม่เบลอเนี่ยนะไม่เบลอในเรื่องนี้ไม่เลอะเลือนไม่สับสนไม่งุนงงอันนั้งจะลึกซึ้งขนาดไหนก็ต้องไม่สับสนถ้าเราสับสนเมื่อใดก็ ก็ขาดทุนชีวิตอย่างเดียวเนี่ยนะเสียดายชาติเกิดก็ว่างั้นเสียดายชาติเกิดแล้วก็เสียดายขณะที่เรามาประสบนะขณะที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกขณะที่มีพระธรรมขณะที่พระสัธรรมบริบูรณ์ขณะที่เราได้ความเป็นมนุษย์เนี่ยนะขณะที่เราได้ความเป็นมนุษย์เอาอะไรเนอะรับรองว่าชาติหน้าเราเป็นมนุษย์ได้คืนคํานวณกันจริงๆแล้วเราคิดถึงอะไรมัง่งพอจะไปสวรรค์ได้บ้าง ชีวิตของเรานะทั้งทํามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยมาจบจนปัจจุบันเนี่ยถามใจตรงๆเหรออันไหนนึกแล้วพอจะไปสวรรค์ได้บ้างอันไหนนึกพอจะไปสวรรค์ได้บ้างบอกก็พระเจดีย์เป็นต้นไงพระพุทธเจ้าไงอ้าววันหนึ่งคุณคิดถึงพระพุทธเจ้าวันหนึ่งมี2ีชั่วโมงคุณคิดถึงพระพุทธเจ้า6ชั่วโมงได้ไหมอย่างเงก็มาไล่ดูนะมาสอบสวนดูแล้วแล้วใจหนึ่งมันไหลไปไหนใจเมื่อมันไหลไปที่ไหนปฏิสนธิก็อยู่ที่นั่นแหละ จะอยู่ในฐานะอะไรดำรงอะไรก็สุดแท้แต่บุญบาปท่านเราไม่รักตัวเองหรืออย่างไรเนาะเราไม่กลัวไม่กลัวทุกข์หรืออย่างไรหรือว่าทนได้โ <c oughs> อยอดทนจังเลย <c oughs> จะไปว่าอะไรเขา <c oughs> ก็ดูนะย้อนกลับมาว่าพระองค์ก็ไปสงเคราะห์พระสาวกเนี่ยนะว่าคือพระองค์เนี่ยรู้แล้วพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ประสงค์ที่จะเกื้อกูลให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยทีนี้คนที่ฉลาดเนี่ยเาจะเลือกทา เขาจะไม่หวานแบบสเปสปะว่าไปเรื่อยไหมเนี่ยนะผมก็เลือกทำดูว่าใครมีอุปนิสัยพอจะตรัสรู้ได้บ้างมันพระธรรมเทศนาทุกสูตรที่พระองค์ตรัสจึงได้รับผลเสมอนจะไม่ตีกลับแบบเสียหายกลับมาเนี่ยนะสินค้าเหมือนกับยิ่งกว่าส่งสินค้าออกไปไม่มีตีกลับนะนะมีแต่เข้ารับเอาด้วยเสียงกล้าเอาไปปฏิบัติ ด, ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจมอบกายถวายชีวิตอุทิศพระพุทธเจ้ากันทั้งนั้นแหละ มันพระองค์ก็ตรวจตราด้วยอาสาธารณญยานเห็นแล้วว่าภิกษุสามสามโกฎเหล่านี้นี่แหละที่จะตรัสรู้ได้เพราะ เ, าเพราะนักบวชเหล่านั้นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยนะพวกเขาถูกเราซึ่งต้องการวิเวกสละแล้วคือมีอยู่สองอย่างนะอย่างที่กล่าวเมื่อเช้า ว, ว่า สาวกทั้งหลายกลุ่มนักบวชที่ติดตามพระพุทธเจ้ามีสองอย่างคือท่านหนีพระพุทธเจ้าไปเองกับพระพุทธเจ้าหนีออกมาเองกลุ่มสาวกที่มีมากๆเนี่ยพระพุทธเจ้าจะเป็นฝ่ายหลีกมาเองแต่ถ้าน้อยๆ น, นะอย่างเช่นกลุ่มปัญจวัคคีเนี่ยกลุ่มเหล่านี้เนี่ยนะคือเรียกว่าด้วยปัจจัยที่เรียกว่าธรรมดาตักเตือนท่านเหล่านั้นก็หลีกหลีกไปให้พระพุทธเจ้าได้วิเวกเนี่ยนะ การที่เขาการที่เรามีโอกาสอยู่คนเดียวคนเดียวนี่ไม่ได้แบบเป็นเรื่องเสียหายเลวร้ายอะไรนะกลายเป็นก็เรียกว่าจะได้ดีก็เพราะอะไรนะเพราะได้วิเวกันะได้มีเวลาทบทวนเต็มที่ใช่ไหมนี่ต่อไปนะว่าพระองค์ก็ไปที่ไหนไปพระองค์ก็ไปสงเคราะห์เขาที่สิริวัฒนนครหรือว่าสิริวัฒนานครเนี่ยนะนะอันนี้เหมือนเมือง น, น, นี้ก็ชื่อว่าเมืองสิริวัฒนนครยัง่ง พระองค์ยับยั้งอยู่ที่ชัดสริวันก็คือป่าสิริวันนั่นเองเอาเถอะเราจะไปแสดงคาแก่พวกเขานะที่นั้นพระองค์ก็ถือบาจีวรของพระองค์เนี่เหาะสู่อากาศเหมือนพญาหงปรากฏณนะป่าชัดสริวันภิกษุรานั้นก็ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงอันเตวาสิกวัตเนี่ยนะเพราะตอนนั้นพระองค์หลีกออกไปเองเนี่ยนะ ท่านเหล่านั้นก็ไม่ได้ไม่ได้มีศรัทธาเสื่อมคลายอะไรเลยก็ยังรักยังเคารพยังบูชาแล้วก็เชื่อว่าที่ออกบวชตามเพราะเชื่อว่าพระโพธิสัตว์ยังไงจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนท่านเหล่านั้นก็นั่งแวดล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสพระธรรมจักรกับปวัตตนสูตรซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงปฏิบัติมาแล้วแก่ภิกษุเหล่านั้นนั้นเราต้องจําธรรมจักให้ได้นะเพราะราว่าเพราะอะไรเพราะว่า พระพุทธเจ้าทุกองค์ก็สอนธรรมจักมันถ้าเราจําได้วันหลังนะเราจะเข้าใจง่ายขึ้นใช่ไหมถ้าเราจําไม่ได้เดี๋ยววันหลังจะเข้าใจยากมันธรรมจักหน้าทรงจำนะจาให้มันได้สักอย่างหนึ่งเถอะบางคนบอกโอ๊ยเอาแต่บาลีบอกภาษาไทยก็ได้อะไรก็ได้ให้มันจําได้ให้มันเข้าใจกนแล้วกันละ่ะหลังจากที่พระองค์แสดงธรรมจักจบลงภิกษุสามโกธก็บรรลุพระอรหันตธรรมมาพิสมัยการตรัสรู้ธรรมได้มีแก่เทวดาและมนุษย์แสนโกด พระ อ, องค์ก็เลยตรัสว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นประ송ประกาศสัจจะสี่อันประเสริฐสุดเทวดาและมนุษย์นั้นนั้นดื่มรสสัจจะบรรเทาความมืดใหญ่ได้ทรมาพิสมัยการตรัสรู้ธรรมได้มีแก่เทวดาและมนุษย์แสนโกรธในปฐมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้บรรลุพระสัพพัญญตยานที่ชั่งไม่ได้เลยนะสัจจะวรุตโมว่า ง, งั้น จริงด้วยประเสริฐ ด, ด้วยชื่อว่าสัจจะอันประเสริฐหรือสัจจะที่สูงสุดเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเหล่านั้นทรงประกาศสัจจะอันสูงสุดใช่ไหมเพราะว่าอะไรที่จะประเสริฐเลิศประเสริฐยิ่งกว่าสัจจะไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะบทว่าเตเตได้แก่เทวดาและมนุษย์นั้นนั่นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนําแล้วบทว่าสัจจะรัสสังได้แก่ได้ดื่มรสอมะตะคือการแทงตลอด สัจจะบทว่าวิโนเทนติมหาตะมังความว่าบันเทาคือกำจัดความมืดคือโมหะที่พึงละด้วยมักนั้นๆเพราะความมืดบางอย่างกำจัดด้วยโสดาปฏิมักความมืดบางอย่างกำจัดด้วยสกธาคามีมักความมืดบางอย่างก็กำจัดด้วยอรหัตตะมัดเนี่ยนะอรหัตตะมักมกำ จ, จัดความมืดได้ทั้งหมดโดยสิ้นเชิงบทว่าโพธิเนี่ยนะในบทว่าโพทิง โพธิสัพเนี่ยนะคะว่าอย่างเช่นคำว่าสัมมาสัมโพธิญาเนี่ยโดยสัพเช่นโพโพเนี่ยใบโพต้นโพกิ่งโพหรือว่าโพธิโพธิที่เรียกว่าการตรัสรู้เนี่ยนะโดยสัพนั้นโพธิมีหลายอัฏฐด้วยกันเนี่ยนะมัคเเกพเลจานิภานในรูปเคปันญติตังตถาสัพพัญยุเตจะยะานสมิงโพธิสัตโธปนาคโต คือโดยศับเนี่ยนะโพธิศัพท์คําว่าโพธิสามารถแปลว่ามร ก, ก็ได้แปลว่าผลก็ได้แปลว่านิพพานก็ได้แปลว่าต้นไม้ก็ได้แปลว่าบัญญัติก็ได้แปลว่าสัพพัญยุตยานก็ได้เรียกว่าอเนกัตถะสับที่มีหลายความหมายคือโพธิสับเนี่ยสามารถแปลว่าได้หลายความหมายเช่นคําว่าเขาเนี่ยแปลว่าอะไรเขาไม่ใช่เราใช่ไหมอะไรที่มันงอกบนหัวถ้านกถ้าป่า ภูเขาอะไรเงี้ยนะสับว่าเขาเขาเฉยๆเนี่ยมันแปลได้หลายอย่างฉันใดในพระไตรปิฎกก็ฉันนั้นเนี่ยนะว่าก็มีศัพท์ที่เรียกว่าอเนกัตถะเนี่ยนะถ้าใครเรียนอภิธานมาจะรู้ว่าศัพท์ที่เป็นอเนกัตถะสั์หนึ่งศัพท์สามารถมีได้หลายความหมายสุดแท้แต่ความประสงค์ของผู้กล่าวนะนะถ้อยคําทั้งหลายเนี่ยอยู่ที่ความประสงค์ของผู้พูดเป็นเป็นประมาณเนี่ยนะว่าผู้พูดเนี่ยประสงค์อะไรมุ่งถึงอะไรฉันใด โพธิสัพพ์ก็ฉันนั้นเพราะโพธิสัพพ์แปลว่ามรรคก็ได้แปลว่าผลก็ได้แปลว่านิพานก็ได้นี่นีโพธิสัพพ์ที่มีเฉพาะในพระไตรปิฎกนะอย่างเช่นโพธิวุจติจตุโสมัคเคสุยานังยาในมัคคีเรียกว่าโพธินันคําว่าตรัสรู้อ่าโพธิหรือแปลว่ารู้เนี่ยนะปัญญาที่รู้แจ่มแจ้งนั้นหมายถึงปัญญาในอริยมรรคสหรือโพธิหมายถึง อริยผลก็ได้เช่นว่าอุปสมายาอภิญญาญาสัมโพธายะสังวัตติเนี่ยนะก็บอกว่าเช่นว่าธรรมนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ตรัสรู้พร้อมสัมโพธายะตัวนั้นแปลว่าอริยผลหมายความว่าถ้าปฏิบัติตามนี้จะเป็นไปเพื่ออริยผลเช่นในธรรมจักรใช่ไหม ในธรรมจักพระองค์บอกว่าไงนะจักขุกรณียานะกรณีอุปสมายาอภิญญายะสัมโพธายะสังวัตติเนี่ยนะมันอริยมรรคนั่นแหละเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความตรัสรู้มั้นอริยมรรคเป็นไปเพื่อรู้ยิ่งเนี่ยหรือเป็นไปเพื่อตรัสรู้ น, นนะตรัสรู้ตัวนั้นแปลว่าอริยผลบางทีโพธิแปลว่านิพานก็ได้อย่างในพระไตรปิฎกประโยคที่ว่าปตะวานะโพธิอมตังอสังขตังบรรลุพระนิพานเนี่ยประว ก็เว่าปัตตวานะโพทิงแปลว่าบรรลุพระนิพพานพระนิพพานลักษณะเป็นยังไงอมตะตังไม่ตายอสังคตังกรรมจัดธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอสังคตตาแปลว่าขจัดหรือกรรมจัดสังคตธรรมนั่นเองบางทีโพที่แปลว่าต้นไม้ก็ได้นะเช่นต้นอสัต tha หมายถึงต้นโพายเช่นอันตราจะขยังอันตราจะโพธิงเนี่ยนะ หมายถึงว่าพระพุทธเจ้าไปพบอุปกาชีวกระหว่างระหว่างไหนระหว่างต้นโพกับแม่น้ําขยาพระองค์เดินทางจากต้นโพไปสู่แม่น้ําขยาไปพบอุปกาชีวกในระหว่างกางเพราะฉะนั้นเอ่อเรียกว่าอันตราจะขยังอันตราจะโพธิงอันตราตัวนั้นแปลว่าระหว่างระหว่างต้นโพเอ่อระหว่างแม่น้ําขยากับต้นโพ หรือโพที่แปลว่าบัญญัติก็ได้เช่นว่าโพทิโคราชกุมารโโพโตโคตมาสะปาเดศีรสาวันติแปลว่าพระราชกุมารพระนามว่าโพทิถวายบังคมพระยุคลบาทของพระโคโดมด้วยเสียงกล้าวมันโพที่ก็คือมีคนชื่อโพนะคนชื่อโพอ่ะพระราชกุมารชื่อว่าโพอ่ะสมัยใหม่เรียกว่าตาโพเป็นต้นน่ยนะก็มีชื่อแบบนี้อยู่ บางทีโพธิแปลว่าตรัสรู้แปลว่าสัพพัญญุตญาณเช่นว่าปปโปติโพธิงวรภูริเมทโสพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาดีอันประเสริฐดังแผ่นดินบรรลุพระสัพพัญญุตญาณคาว่าโพธิบางทีก็แปลว่าสัพพัญญุตญาณในที่นี้มีความหมายว่าสัพพัญญุตญาณหรือจะมีความหมายว่าอารหัตตมัคคิยานก็ไม่ผิดอะไรเนี่ยนะ